คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟั ง, ฟงที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวขาว f m ฟเมาพบท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะดิฉันสันสนีลาคมจะสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนหายศอุดอนธานีเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงคำสอนของภาษาสดาไม่ว่าจะเป็นคำถามพื้นนในเรื่องลกโๆกหรือว่าคาถามในด้านของการปฏิบัต คำถามที่ตรงไปถึงคำสอนของพระศาสดาโดยตรงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดรายการนี้มีในสิ่งที่ดิฉันเข้าใจว่าไม่ค่อยมีใครทำหรือเปล่ยอาจจะไม่มีก็คือสอนการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการเสมือนกับได้ไปร่วมปฏิบัติในคอสลีกเรนที่วัดป่าดอนหายสศเลยเราไปพบกับพระมหาภัยบุญกันเลยนะคะน้องส ก, การใช่คะเชิญพเรามาเริ่มกันฟังธรรมด้วยการที่ปฏิบัติธรรมกันซะก่อน การปฏิบัติธรรมนั้นเริ่มด้วยการที่ตั้งสติขึ้นห ล, หลายๆคนจะมีความคิดว่าสตินี้จะเป็นแค่ทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นแค่สมถะแต่จริงๆแล้วสตินั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาตรงไหนพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของกายาคตาสติคือการที่ให้เรามีจิตระลึอกอยู่ไปในกายในมีจิตอยู่ในกายไม่ออกนอกกรอบเขตของผิวหนัง การที่เรามีจิตอยู่ในกายนี้เป็นสมถะและวิปัสสนาอย่างไรเป็นตรงที่ว่าถ้าจิตของเรามาเลึกถึงกายโดยลักษณะที่เห็นกายนี้ตามที่เป็นจริงในการที่จิตเราอยู่ตรงนี้นี้มีสติแน่นอนเห็นตามที่เป็นจริงในกายว่าไม่ใช่เป็นของที่สวยงามแต่เป็นของที่มีความน่าเกลียดมีของที่ไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราคิดกันยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่า เส้นผมของเราธรรมบวชมีเส้นผมแพระก็อาจจะมีผมน้อยบ้างมากบ้างหรือต่อให้คนหัวรานก็ยังมีผมอยู่ผมถ้าเผื่อว่ามันสวยมันดีมันงามเนี่ยอยู่บนหัวใครมันก็ดีแน่นอนแต่ถ้าเผื่อว่าไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเขาเอาผมคนที่เขาขาวเนี่ยมาทำเป็นบุญเส้นทาไหมเรากินเนี่ยโอยเราจะมีความขยะกขยงเอาทำไมผมอยู่บนหัวเอมันดีมันสวย แต่พอไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะมันกลับไม่ดีไม่สวยลักษณะนี้คือความที่มันเป็นอาพาธความอาพาทนี้คือความที่มันไม่สม่าเสมอไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็ตลอดเวลาถ้ามันไม่เป็นอาพาธเนี่ยจะอยู่บนหัวจะอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวจะอยู่ที่ไหนมันต้องดีเหมือนกันหมดแต่เพราะความที่มันไม่ได้ดีตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละตรงนี้ความที่มันไม่ดีเนี่ยคือเป็นอาพาธ เพราความที่เส้นผมมีความเป็นอาพาธอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวก็เป็นแบบหนึ่งอยู่บนหัวก็เป็นแบบหนึ่งเส้นผมนี้จึงมีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจิตที่เรามาจ่ออยู่ตรงนี้เป็นวิปัสสนาแน่นอนมีสติตั้งขึ้นแน่นอนหรือเอาฟันของเราฟันของเรานี่เป็นกระดูกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษกว่ากระดูกทั่วๆไปกระดูกทั่วๆไปนี่จะถูกชามาด้วยเนื้อและเลือดนต่คือจะเราเจาะเข้าไปในกายของเราเนี่ ผ่านผิวเนี่ยผิวนี่จะอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆประมาณไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำถ้าลอกผิวทั่วตัวเนี่ยเช่นด้าบลฟังไปอาบแดดมากเงี้ยไอ้ที่มันลอกเป็นขุยๆออกนี่คือผิวนีนลอกออกตัวนี้พวกเครื่องสำอางอะไรมันก็จะถูกลอกออกหมดลอกออกหมดอย่างนี้แล้วก็จะเหลือแต่หนังนีหนังคนก็จะสีต่างกันบางคนสีเข้มบ้างสีอ่อนบ้างสีเข้มไม่พอใจก็ไปทาให้มันขาว สีขาวไม่พาใจก็ไปตากให้มันเข้มแต่ใต้หนังลงไปหนังนี่มีชั้นบนกับชั้นล่างหนังชั้นล่างนี่มีสีเหมือนกันหมดเียไม่ได้มีสีขาวดําตามผิวตามเชื่อชาญไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะแดงๆไปแล้วส่วนที่ติด ก, กับเนื้อก็จะแดงๆ แ, และส่วนใต้เนื้อลงไปก็จะเป็นกระดูกในกายนี้ก็จะมีอวัยวะต่างๆที่ให้มันฟังชันให้มันไปได้ตัดน้ำํำถัดไฟก็ไปตามอวัยวะต่างๆแต่หลักๆสําคัญ ก็คือมีกระดูกเป็นโครงเหมือนอาคารบ้านเรือนมีเหล็กเนี่ยเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนซีเมนต์เหมือนการกายของเราฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีหนังหุ้มอยู่เนี่ยกระดูกโดยทั่วไปก็จะฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดแต่ว่าฟันนี่พิเศษชุ่มจมอยู่ในน้ำลายตลอดเวลายี่สี่ชั่วโมงเหมือนจะแช่ชุ่มอยู่ในน้ำลายกระดูกฟันนี้ถ้าแปลว่าเราถอนออกมา อยู่ในฟันใครอยู่ในปากใครมันก็ดีสวยงามะมีความสวยความงามดีแต่ถ้าเอามันมาอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันมาต้มดูแทนที่จะเป็นกระดูกหมูต้มแล้วก็เอากระดูกฟันนี่แหละมาต้มดูแล้วเราจะเห็นความเป็นอาภาษของมันว่าเอ้ามันไม่ได้ดีเหมือนตอนอยู่ในปากเราแฮะมันไม่ได้ดีเหมือนตอนที่มันอยู่ในสถานที่อื่นๆพอมาอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวแล้วต้มเป็นกระดูกหมูแต่เป็นกระดูกฟันเราให้กินเนี่ยโอมันจะกลิ่นไม่ลง ลักษณะความที่อาพาธมันปรากฏนี่คือความที่มันเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลกักขณาสูตรให้กับภิกษุทั้ง5้ภิกษุปัญจวกีฝังว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งนั้นมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราต้องลามันเสียว่ามันเสี ย, ามมสยการละการวางคือการไม่ยึดถือในสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่ไปทําลายฟันไม่ใช่ไปทำลายผมแต่ว่าไม่ยึดถือไม่ไปเกลือกลัว เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเราการพิจารณาตรงนี้แน่นอนว่ามีทั้งสมาธิด้วยมีทั้งวิปัสสนาด้วยจากกายาคตาสติที่เราตั้งไว้เป็นหนึ่งในอนุสติสิบธรรมุฟังเดินไปไหนทําอะไรอยู่พูดเรื่องอะไรเนี่ยใช้กายตลอดให้เรามีจิตอยู่ในกายนี้เป็นการที่เราตั้งกายาคต า, าสติไว้ได้อย่างแน่นอนแต่เราทําได้ตลอดทั้งวันในขณะที่ฟังทำทํากิจการงานใดๆก็ปฏิบัติได้จุฬาพอด จะทุกค่ะค่ะท่านฟังนั่นก็เป็นการที่ทำให้เราได้มีวิธีที่จะใกล้ครวนในขณะที่ทำสมาธิไปด้วยแล้วก็ในเวลาอื่นๆด้วยมาถึงคำถามนะท่านคะเทว่ร <Hey man. S 2> มีคำถามค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่มีงพระพุทธรัตต์ว่าเป็นโลกธรรมแปดแล้วนะครับเนี่ยผู hmm. นินทาค่ะ <Yeah. Wow. S 2> <laughs> สรรเสริญคู่กับนินทา ท่านฟังคือคุณเดชมังคะใช่พานคุณเดชถามมาว่าอยู่รวมกับคนพูดมากพวกนินทาชาวบ้านเราต้องทํำยังไงครับพระอาจารย์มีทางเลือกอยู่สองสามทางคือถ้าเขาทํากรรมที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งการนินทาชาวบ้านการพูดมากเนี่จะเป็นสองกรณีนั้นนินทานี่เป็นลักษณะของการพูดให้เราฟังเพื่อที่จะให้เราแตกจากคนอื่นหลือเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมา เพื่อให้เราฟังนี้จะเป็นลักษณะของคนไม่ดีอยู่ละทีนี้เป็นคนไม่ดีในะกรณีที่สองคือการพูดมากการพูดมากนี่ก็จะมีความเสี่ยงในะการที่จะพูดโกหกพูดเพ้อเจอพูดสอเสียพูดคำหยาบแล้วก็อาจจะไปตกนรกด้วยถ้าพูดมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนพวกนี้ทําไงจนะมีทางเลือกอยู่2อสาอย่างข้อแรกหนึ่งแน่นอนเลยคืออย่าไปเอาบาปนั้นมาอยู่ในตัวเราแตนะ่สิ่งนี้เป็นความชั่วความผิดความบาปอย่าให้เกิดขึ้นในตัวเราคือเราก็อย่าไปร่วมกับเขา นะลักษณะการร่วมเนี่ยคือพูดร่วมกันนะคือสมมติเขาเอาอะไรไหมเรากินใช่ไหมแล้วเราก็กินร่วมกันเนี่ยลักษณะการกินร่วมกันเนี่ยคือเขาพูดร่วมกันสมมติเ้าด่าเราเราด่าตอบนี่เขานินทาเราเรานินทาตอบนี่เป็นลักษณะของการกินร่วมกันพระพุทธเจ้าบอกไว้อันนี้บอกไว้กับอกโกสกะพระราหชพรามนะเขาเอาคําด่ามาดาา่าชาเสียเทเสียพระพุทธเจ้านินทาอะไรต่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเงียบไม่พูดด้วยเนาะทำไมไม่พูดด้วย ปุโรชาก็เลยยกตัวอย่างประม <asthma> าพมาอีกนะว่าถ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีคนเอาเจอกันเอาของอะไรมาให้คุณที่บ้านอย่างนี้แล้วคุณไม่รับเอาไว้ของนั้นเป็นของใครก็เป็นของคนที่เอามานั่นเองนะเช่นเดียวกันคํานินทาคําด่าคําว่าเขาเอามาให้เราถ้าเราไม่รับเอาไว้มันก็เป็นของเขาแน่นอนนเราก็อย่าไปนินทาร่วมอย่าไปพูดไม่ดีร่วมอย่าแบ่งบาปนั้นเข้ามานี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ที่สอนท่าบอกว่าเราจะเป็นคนดี นะที่ดียิ่งกว่าคนดีเนี่ยคือชักชวนให้เขามาทําความดีในะชักชวนให้เขาในการที่จะเลิกนินทาเลิกบน่นเลิกด่าเลิกว่านะชักชวนให้เขามาในทางดีอันนี้ก็ดีแน่นอนคือบางคนเนี่ยนะคุณโยมติว๋วเขาก็ <c oughs> ไม่ได้ว่าเป็นคนพาลตลอดเวลานะเขาก็บางทีอาจจะมีบางจังหวะบ้างจุดที่พอบอกได้บ้างอันนี้ก็บอกกันบ่ายที่บ่ายกันบ่ายอันนี้เราก็จะเป็นคนดีชักชวนให้เขามาทําความดีอันนี้ในข้อที่2อที่เราทําได้ อีประเด็นหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอันนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเลยอย่างที่เราฝึกที่เรากระทํานี่แหละเรียกว่าเป็นการที่เราฝึกสติจะทําให้เราอยู่กับคนดีก็ตามคนไม่ดีก็ตามจีตเราก็ยังได้รับการรักษาเตืนปอนดค่ะสาธุนะคะเรื่องอินถาเนีย่ยทิ่ฉันเข้าใจว่ามันเป็น เรื่องที่พบเห็นทั่วไปแล้วก็บางทีก็เราก็เผลอปนินทาใครเขาด้ยวยเหมือนกันนะคะ อ, อแล้วบางคนดิฉันจําได้ว่าเคยได้รับคําสอนตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยค่ะ <c oughs> ว่าถ้าไปที่ไหนที่เขานินทากันสมมุติว่าถ้าเป็นร้านทําผมอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ให้เปลี่ยนร้านคือคือไม่ให้มีร่วมวงนั่นแหละอใชจ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าศึกษาคําพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยแล้วเข้าใจว่าเรื่องพูดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก ที่พระพุทธองค์สอนอย่างศีลเนื้อ พ, พื้นเลยใช่ไหยคะไม่ให้พูดปดแล้วพอเราไปดูอริยมาร์เนี่ยลักษณะของการพูดที่เราเจอกันบ่อยๆเช่นพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกกันพูดเพอ้อเจ้อเนี่ยอืมจัดได้ว่าเกือบครอบคลุมชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันที่จะไม่เพอ้อไม่เจอเลยแม้แต่น้อยไม่มีใช่ใช่ก็ดิฉันเห็นเพื่อนผู้ที่ไปศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้า จนรู้แล้วถึงวิธีการพูดที่ดีเป็นอย่างไรคนพวกเนี้ยเวลาเกิดบทสนทนาหรือแม้แต่กระทั่งการเขียนโต้อตอบกันในไลน์เนี่ยพอไปเจอเรื่องที่เขาคิดว่าเขาไม่ควรพูดเขาก็นิ่งไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นเป็นสิ่งดีะนะอันนี้<อ>คือแสดงว่าเขามีสติสามประชัญญาณแน่นอนอการที่เขาใช่ค่ะ ตั้งสติได้บอเอ้ยฉันไม่พูดสิ่งนี้ฉันพูดอย่างนี้นี่คือเขามีสติแน่นอนค่ะแล้วยังคิดว่าการฝึกสติกับการพูดอันนี้ในส่วนตัวนะคะจะให้ความสําคัญมากเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราฝึกได้ตลอดเลยเพราะว่าการพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะ น, น, นี่คําถามต่อไปกับท่านคะวันนี้รู้สึกว่าคําถามจะค่อนข้างเ ข, า, งขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะฟังดูเหมือนกับ เป็นเรื่องยากๆนิดๆ น, นะคะมีคําที่บางคนบอกอุ๊ยอะไรเนี่ยวิญญาณนย่งพอจะรู้แล้วก็กลัวด้วยอุู๊์แต่วิญญาณธาตุไม่อย่างไรล่ะคะอวิญญาณขันอีกต่างหากสองวิญญาณนี้คืออะไรแตกต่างกันอย่างไรคะโอเคมีคําว่าวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันอันนี้คำถามของคุณคบุญศินมานะทําความเข้าใจทีละคําก่อนคือคําภาษาไทยเนี่ย ก็เอาหลายคําที่มาใช้จากภาษาบาลีแปลบ้างใช้ตรงบ้างความหมายเหมือนบ้างความหมายต่างบ้างอันนี้เลยจะทาความเข้าใจในที่นี้ก่อนเลยนะคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะภาษาที่เขาใช้จริงๆเนี่ยเขามาจากยา น, นาธาแปลว่าความรู้นะคำ ว, ว่าวิญญาณเนี่ยก็จึงแปลว่าการรู้แจ้งหรือว่าการรับรู้อันะนี้คำแรกก่อนนะท่ทั้งผู้ฟังทั้งคุณยมติ๋วเนี่ยพอพูดถึงควาว่ารู้เนี่ย มันจริงว่าจะมีหลายรู้ในคำภาษสไทยที่เราใช้เช่นรู้เฉยๆหรือว่ารู้สึกหรือว่าหมายรู้หรือว่าระลึกรู้หรือความรู้รู้แจ้งรู้ตื่นโอ้ใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยงั้นตรงนี้เราเราทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่รู้แต่เรารู้เนี่ยมันคืออะไรและอาตมาจะอธิบายไปทีละจุดนะเอาคําแรกคือคําว่ารู้แจ้งหรือคําว่ารับรู้นี้ความหมายเหมือนกันเขาใช้คําว่าวิญญาณคําที่2คําว่าหมายรู้ หมายรู้นะเป็นภาษาไทยนะมาจากภาษาบาลีที่ว่าสัญญาคือการหมายรู้นะคำที่สามรู้สึกเช่นบางทีฉันรู้สึกสุขบางทีฉันรู้สึกทุกข์ไอ้คําว่ารู้สึกเนี่ยมาจากภาษาบาลีที่เรีวเวทนารู้รู้แล้วนะรู้แรกนี่คือรู้แจ้งรู้2คือหมายรู้รู้สนี่คือรู้สึกแต่ภาษาบาลีนีโครกรรมนะนะทีนี้คำที่4ไหนที่เช่นเราเรียกว่าระลึกรู้ไอ้รู้แบบระลึกรู้เนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสตินะสติ คนละคำนะนะอีกคำหนึ่งเช่นคุณมีเกิดยานความรู้เป็นวิชาความรู้ขึ้นมาเนี่ยไอความรู้ที่เป็นวิชานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งคำที่5้าแล้วนะวิชาคือความรู้อย่างเงี้ย แ, แล้วถ้ารู้แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างงี้บางครูบาจารย์ท่านก็ใช้ก็จะใช้คําว่าพุทโธนะพุทโธคือผู้รู้ตื่นอย่างเงี้ยแล้วยังมีคําอื่นๆที่สับสนเช่นจิตด้วยมโนคือใจด้วยแล้วก็ยังมโนกรรมวจีกรรมโอะไรหลายอย่าง นามรูปอีกต่างหากธรรมารมีต่างหากพวกนี้เป็นคําที่เราจะคลาดไฟกันไปตีละคำละคำโอเคทีนี้สิ่งที่คุณบุญสินถามก็คือคําว่าวิญญาณเฉพาะเจาะจงมาตรงนี้ก่อนในวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้ซึ่งจะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยในภาษาไทยถ้าเราพูดถึงวิญญาณมันก็สิ่งที่แบบอู้เราก็มาหลอกชาวบ้านอะไรเงี้ยนะอันนี้คือวิญญาณที่คนทั่วไปหมายถึงแต่ว่าจริงๆในคําสอนของพุทธะเนี่ยเกิหมายถึงการรับรู้ รับรู้ตรงไหนเช่นท่านผู้ฟังมีหูแล้วได้ยินเสียงการที่เราไปรับรู้ทางหูได้เนี่ยแสดงว่ามีวิญ ญ, ญาณเข้าไปรับรู้วิญ ญ, ญาณนี่คือการรับรู้ตรงนี้วิญญาณตัวไหนที่มาทําหน้าที่การรับรู้เสียงเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณโสตวิญญาณนะวิญญาณตรงนี้คือการรับรู้เนี่ยเป็นาธาตุหรือเป็นวิญญาณขันเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันของม า, าธาตุกับคำว่ า, าขันอีกนะาธาตุเนี่ยเป็น ภาษาบาลีหมายถึงสภาวะที่มันคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นเช่นเรามีธาตุสดินน้ําไฟลมใช่ไหมอันนี้เราจะได้ยินอยู่เป็นประจำบางทีพระปุจจานะเขาพูดถึงธาตุที่5คืออากาศธาตุแล้วก็มีธาตุที่6คือวิญ ญ, ญาณธาตุไฟดี่นะธาตุสใช่ไหมดินน้ําไฟลมดินก็จะมีสภาวะเข่นแข็งน้ําก็จะมีความเบื่อากเปียกชุ่มไฟก็จะเป็นความร้อนความเผาผลาญลมก็จะเป็นของที่พัดไปพัดมา นะอากาศสาตทคือความว่างเพราะฉะนั้นอากาศสาตทกับธาตุลมเนี่ยจะต่างกันธาตุลมนี่เป็นลักษณะของก๊าซเช่นออกซิเจนไนโตรเจนพวกนี้เป็นธาตุลมแต่ว่าอากาศสแตทคือความว่างเช่นช่องว่างอวกาศอย่างเงี้ยจะเป็นอากาศสาตทได้ส่วนวิญญาณธาตุคืออะไรนะวิญญาณธาตุธาตุคือความที่มันสภาวะที่คงตัวอยู่ที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้ในสภาวะธาตุที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้ตรงเนี้ย ก็เเป็นวิญญาณขันพระพุทธาให้ความหมายของคําว่าวิญญาณขันอย่าที่บอกว่าวิญญาณวิญญาณคืออะไรคือการรับรู้หรือบางคนก็แปลว่าการรู้แจ้งไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจการไปรับรู้เป็นวิญญาณตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณให้ความหมายว่าเพราะกิริยาที่รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งได้ทางไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจดัะนั้น ไ, นนไอ้ที่ เสียงที่ทราฟังได้ฟังมาจากการรับรู้คือวิญญาณทางหูเป็นโสตวิญญาณวิญญาณตรงนี้คือวิญญาณขันแล้วตัวอะไรที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้ตรงนี้เพราะบางทีถ้าหูเราไม่มีหรือเราไม่ได้ยินเสียงเนี้ยวิญญาณทางหูจะไม่เกิดนะวิญญาณทางหูจะไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีวิญญาณมันจะมีวิญญาณธาตุคือความเดิมธาตุเดิมของมันที่ไปทำหน้าที่ ในการรู้เขาเรียกวิญญาณธาตุตรงนี้ก็คือจิตนั่นเองวิญญาณธาตุก็คือจิตส่วนที่จะไปทําหน้าที่ในการรับรู้นั่นเองโอเคน ะ, คะโอเคคาที่สองผมนะคือคำว่าจิตจิตตรงเนี้ยไปทำหน้าที่วิญญาณจิตนะกับคําว่าวิญญาณนะจิตตรงนี้ไปทําหน้าที่วิญญาณโอเคทำหน้าที่วิญญาณอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเราเอาหูไปจุ่มในอาหารหูเนี่ยจะรับรู้รสไม่ได้โอเคปะ่ะ รถ ja. <ฝ>เนี่ยจึงจะต้องมารับรู้ทางลิ้นเท่านั้นตรงลิ้นที่เป็นช่องทางให้รถเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นช่องทางให้เสียงหรือให้ภาพเข้ามาทางลิ้นได้เนี่ยช่องทางตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องทางของรถนช่องทางของรถก็เรียกว่าเป็นลิ้นนะสิ่งที่จะไปรู้ตรงช่องทางนี้ก็คือชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณโอเคซึ่งวิญญาณมันก็จะมีการทําหน้าที่เป็นการรับรู้ตรงนี้ตอนนองทีนี้ต่อมา พอเรามีการรับรู้แล้วพระบุตรเจ้าตรัสว่ายคำหนึ่งบอกอนุภาพพ ร, ราม บ, บอกว่าไอ้เจ้าอินทรีย์ทั้งหลายที่หูมันก็จะรับรู้เสียงเท่านั้นจะรับรู้ภาพไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เสมอที่โคจรและวิสัยของกันและกันคําว่าไม่เสมอที่โคจรและวิสัยของกันและกันเนี่ยหมายความว่าเสียงมันจะผ่านมาทางมือไม่ได้มันต้องผ่านมาทางหูเท่านั้นมันจะไม่มากันและกันใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเป็นที่แหลมไปสู่พระบุทรเจ้าบอกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ย ที่มันไม่มาปะปนกันเสียงจะเข้ามาทางลิ้นไม่ได้ต้องเข้ามาทางหูเท่านั้นเนี่ยมันจะไหลมารวมกันมีที่เล่นไปสู่คือใจใจตรงเนี้ยจึงเป็นช่องทางกุญยมติว๋วใจตรงนี้จะเป็นช่องทางให้ตาหูจมูกลิ้นและกายไหลเข้ามาไหลมาตามช่องทางตงัวไหนไหลเข้ามาสู่ใจเนี่ยตรงที่เรียกว่าวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในใจนะในช่องทางนี้เช่นว่าเสียง จะไปเกิดที่ลิ้นไม่ได้มันจะข้ามช่องไม่ได้วิ ญ, ญญาณจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้ต้องเกิดในใจใจนี้จะเป็นช่องทา ง, ขงเขาใจคํำนี้คือเป็นมโนโอเคนะเป็นมโนนะเพราะฉะนั้นมโนเนี่ยเป็นช่องทางเหมือนเป็นแบบที่ที่ให้วิญญาณเกิดที่ให้จิตอยู่มันจึงมีการลักษณะการทํางานที่จะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ที่มันจะเหมือนกันเนี่ยคือลักษณะที่มันจะเป็นธรรมชาติเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า จิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเนี่ยดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดมันตลอดขึ้นอันนี้คือเป็นลักษณะภาษาที่บ่งบอกถึงความที่มันมีลักษณะที่เกิดดับเกิดดับอยู่เป็นประจำอยู่ไหนในใจในมโนในช่องทางนี้จิตเนี่ยจะไปอยู่ที่ตาไม่ได้นะทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเช่นอย่างกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะเราถ่ายรูปดีรูปไม่ดีกล้องมันไม่รู้เรื่องอะไร แต่ผู้ที่ไปดูภาพผ่านทางกล้องนี้ต่างหาถึงจะขึ้นลงได้ตรงนี้จะเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตาเนี่ยอินทรีย์คือตามีใจเป็นที่เล่นไปสู่ตรงไหนของใจที่รูปนี้มันจะเล่นไปสู่ตรงจากสุวิ ญ, ญญาณนะตรงจากสุวิญญาณพอมันแล่นเข้ามาสู่ในใจแล้วนะจิตที่ไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ทางโสตวิญญาณเนี่ยรับรู้แล้วนะก็จะมีการปรุงแต่ง ในการปรุงแต่งไปตามเช่นอะไรเช่นถ้าเผื่อเราได้กลิน่นเอกลิ่นนี้มันกลินกนะนกล่นผัดกะเพราน่าตั้กลิ่นผัดกะเพราการปรุงแต่งที่เรารู้สึกได้ว่าอ๋อนี่เป็นผัดกะเพราสัญญาเกิดขึ้นละ่ะผัดกะเพรานี่เป็นสัญญานะ mm hmm. อ่ะคาคำว่ากะเพราเนี่ยเป็นสัญญานะกลิ่นใช่ไหมมาทางจมูกมาทางช่องทางคือคานวิญญาณรับรู้เป็นวิญญาณมาแล้ว มีความหมายรู้คือสัญญาเกิดขึ้นได้ว่าอ๋อนี้เป็นกลิ่นผัดกะเพรานะสัญญาเกิดขึ้นละเอ๊ะอะไรทําให้มีการเปลี่นลยนแปลงปรุงแต่งจากวิญญาณที่เป็นคณะวิญญาณเนี่ยไปเป็นสัญญาที่รู้ว่าเป็นผัดกะเพราตรงนี้คือสังการเขาทางานสังการคือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลง น, น, นจากสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่เคยดมกลิ่นผัดกะเพรามาก่อน เราจะไม่รู้จะไม่มีสัญญาว่านี้คือป่ากระเพราเกิดขึ้นจะไม่เกิดจะจะไม่มีโอเคนะการปรุงแต่งนั่นก็จะไม่มีทีนี้พอมีสัญญาว่าเอ้ยนี่เป็นป่ากระเพาละสัญญาเกิดขึ้นละไอที่ไปรับรู้สัญญาตัวนี้ก็คือวิญญาณนี่เหมือนกันสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ว่าเป็นป่ากระเพราเนี่ยจึงเป็นธรรมารมณ์หนึ่งจึงเป็นธรรมารมณ์หนึ่งอะไรที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์นี้ก็คือวิญญาณนั่นแหละถ้ามีการรับรู้เกิดขึ้นอะไรวิญญาณเขาทำงานนาดีละ วิญญาณตัวไหนเนี่ยวิญญาณที่มารับรู้สิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดเนี่ยเขเรียก ว, ว่าเป็นมนโนวิญญาณเป็นมนโนวิญญาณโอเคนะมนโนวิญญาณก็จึงไปรับรู้สิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดอะ่ะเป็นสัญญาหรือสัญญาในที่นี้คือผัยกะเพราแล้วก็มีเวทนาบรุงแต่งต่อไปว่าเออฉันชอบนะต้องกะเพราผัดไก่นี่นะแล้วก็ต้องแห้งๆนะถ้าเปียกๆไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะมีความชอบ คือสุขเวทนาหรือไม่ชอบคือทุกเวทนาเกิดขึ้นเวทนาใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้จากการที่มีสัญญาคือปายกระเพ้าเนี่ยเวทนานั้นก็เป็นธรรมอารมณ์ใครไปไปผู้รับรู้เวทนานี้ก็มโนวิญญาณรับรู้แล้วปรุงแต่งต่อไปว่าโฉันจะไปทํากินที่นี่ฉันจะไปกินกับคนนั้นคนนี้ฉันจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้การปรุงแต่งต่อเนื่องไปบึ้มบึ้มบึ้บึ้ ม, ม, ม, มไปเนี่ยนี่มโนสังหารมโนสังหารมโนสังหารทั้งนั้นเลยออกมากลายเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่ แบบใหม่ขึ้นมาบื้มบืมบืมบืมบางทีก็ไปผัดกินเองอันนี้เป็นไก่สังการละบางทีก็เป็นไปสั่งให้คนนั้นทํำนี่ก็เป็นวัชีสังการละบื้มบๆมบืมบื ม, บ ม, บมออกไปตามสังการการปรุงแต่งตรงนี้ใครที่ไปทําหน้าที่ปรุงแต่งใครที่ไปทําหน้าที่รับรู้จิตนั่นเองเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นทางใจเจือขึ้นตรงช่องทางนี้เรียกว่าช่องทางทางใจคําว่าใจที่เรามาใช้มาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่เป็นมโน เป็นมโหเป็นช่องทางวิญญาณไปทำหน้าที่รับรู้จิตตรงนี้ไปทำหน้าที่วิญญาณเป็นหน้าที่ปรุงแต่งแล้วจิตที่มันปรุงแต่งอะไรออกมาเนี่ยมันก็ซึมซาบสะสมสิ่งนั้นคุณยมติวนึกก่อนนะว่าพระพุทธเจ้าก็ท่านก็เป็นคนที่โน่นใช่ไหมคุณท่านก็พูดภาษามคตดนะนะแล้วภิกษุสมัยนั้นเขาก็พูดภาษามคุภาษาบาลีนี่แหละนะแตนี้พอพูดคําว่าวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่า หมายถึงการรับรู้เพราะมันมีธาตุคือยาณธาตุคือการรู้อยู่พอพูดว่าจิตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีคําว่าจิตธาตุคือการสะสมอยู่นะซึ่งถ้าสมมติอกว่าในใจคุณคิดยังไงในใจใช้อาจจะคิดอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีการปรุงแต่งของจิตที่จะไม่มีสัญญามีเวทนาออกมาอยู่ในไหนอยู่ในช่องทางในใจเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ใช้ร่วมกันในะการที่ใช้ร่วมกันเนี้ผิดไหมก็ถ้าเราไปดูในคัมพี์อื่นๆเนะช่นในคำพี์วิสุทธิมาร์กเนี่ย เขาก็จะบอกว่าจิตมนโนวิญญาณก็คืออย่างเดียวกันแต่ถ้าคนที่บอกว่าจิตมนโนวิญญาณอย่างเดียวกันเนี่ยก็ <c oughs> าอาจจะหมายถึงตรงที่ในคำภี์วิสุทธิมรักนี่กล่าวถึงแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็มีการทํางานที่แตกต่างกันไปก็มีเ <c oughs> องนี่นะ <c oughs> ใช่ถ้าเราจะบอกว่าวิญญาณไปทําหน้าที่สะสมมันจะไม่ใช่ละเพราะวิญญาณจะสะสมสั่งสมบุญสั่งสมบาปไม่ได้ต้องเป็นจิตเท่านั้นที่จะสั่งสมบุญสั่งสมบาปอาลวิญญาณเกิดขึ้นที่ไหน <c oughs> เกิดขึ้นใน ใ, นใจจิตอยู่ที่ไหนก็จิตอยู่่ใในในในชออองงทาคืืจเหมกั เพราะนั้นถ้าเขาพูดถึงใจก็าอาจจะหมายถึงอะไรสักอย่างหนึ่งในวิญญาณหรือในจิตหรือในสังขาร ก, ก็แล้วแต่ว่าเฉพาะเจาะจงลงไปยังไงจะบอกว่าผิดไม่ได้ก็ต้องคงจะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปอย่างเงี้ยนะค่ะดังนั้นวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันต่างกาันตอบสั้นๆอตอบสั้นๆก็คือว่าต่างกันตรงที่ว่าวิญญาณขันหมายถึงการไปทำหน้าที่รับรู้ทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนวิญญาณธาต ก็คือจิตนั่นเองวิญญาณท่านคือจิตะจะเห็นความต่ตางๆเช่นเช่นบางทีตอนที่เราหลับอย่างนี้นะตอนที่เราหลับส ก, กิดก็ไม่รู้เรื่องส ก, กิดมีสัมผัสทางกายไหมมีเรามีกายไหมมีหรือเราตะโกนเรียกคนหลับอย่างนี้ใช่ไหมเสียงมีไหมมีหูไม่ไหมีแต่โสกตาวิญญาณเกิดไหมไม่เกิดเอาแล้วจิตเขามีหรือเปล่าเนี่ยจิตเขามีสิบแต่เขาหลับอยู่จิตที่มันหลับอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปมีวิญญาณทางหูใช่ไหม วิญญาณขันเนี่ยไม่เกิดเพราะมันไม่มีที่ก้าวลงใช่ไหมวิญญาณติติสี่อย่างคือรูปสัญญาสังขารแล้วก็เวทนาเนี่ยมันไม่มีในตอนที่หลับแต่ไม่ใช่ว่าจิตเราไม่มีจิตเรามีอยู่จิตตรงนี้คือวิญญาณธาตวิญญาณธาตุเนี่ยคือธาตุเดิมที่มันจะมาทําหน้าที่ในการรับรู้ถ้าไม่มีการรับรู้ไม่ใช่หมายความว่าธาตุเดิมที่ทําหน้าที่ในการรับรู้นั้นไม่มีธาตุเดิมนั้นมีอยู่นั่นคือวิญญาณธาตุก็คือจิต ค่ะโ <Okay. S 2> อเคเท่ากับว่าในที่นี้เนี่ยวิญญาณธาตวิญญาณขันเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของการละกันถูกไหมคะใช่ใช่นะคะ<ม>แต่ว่าทําหน้าที่ค น, นเองอ่าคนละอย่างเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่เหมือนกันมีส่วนที่ต่างกันบ้านงนั้นเถอะค่ะอะแล้วทีนี้อที่ท่านได้กล่าวว่าจิตเนี่ยมันมีลักษณะสั่งสมบุญสั่งสมบาป เ, เดี๋ยวฉันก็เลยเข้าใจว่าเลยทําให้ มีการไปสรุปไหมคะว่าอย่างที่เราเข้าใจว่าวิญญาณของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอันเนี้ยพอกลับมาคือคือเหมือนกับว่าพอมาศึกษาพระพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าเออวิญญาณเป็นเรื่องของการรู้เป็นาธาตรู้ถูกไหมคะใช่ใช่มันก็อาจจะงงงวยว่าอ้าวแล้ววิญญาณที่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คนเก่าๆเนี่ยในในความ ความสื่อข้อยาวนานระมาดนี่เข้าใจกันผิดทุกคนเลยเป็นอย่างที่หรอถึงได้กล่าวกันมาขนาดนี้เนี่แต่อนี้อาจจะเข้าใจในมุมนี้ไหมคะว่าว่าวิญญาณที่ว่านั้นเป็นจิตที่สั่งสมเอนั่นเองวิญญาณที่คนไทยใช้ใช่ไหมความหมายของวิญญาณที่คนไทยใช้ว่าเป็นเหมือนผีเป็นวิญญาณอะไรต่างๆที่ไปสิงอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนะอ่าอันนั้นเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นเอเป็นเทวดา หรืออาจจะเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตได้ทั้งนั้นแต่แต่ไม่ใช่จิตที่สั่งสมบุญบาปเลยคะคือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีจิตไงคุณยมติวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีจิตมดมีจิตยุงมีจิตสัเดรัจฉานมีจิตมนุษย์มีจิตแต่ละคนก็จิตไปจิตไปจิตของตัวเองนะที่จะไปปรุงแต่งถ้ามดมันก็ไปปรุงแต่งตามที่มันจะไปชอบน้ำตาลถ้ายุงมันก็ไปปรุงแต่งตามที่ชอบเลือยคนแตถ้าคนมันก็ไปปรุงแต่งตามเสียงตามรูปที่มันชอบไปอันนี้ครับ อะไรเป็นผู้ไปปรุงแต่งจิตนั่นเองจิตนั่นเองค่ะแล้วจิตเนี่ยมันจะไปล็อกอยู่กับอะไรถ้ามันไปล็อกอยู่ในฟอร์มนี้นี่ยก็คือเป็นคนถ้ามันไปล็อกอยู่ในฟอร์มนั้นก็เป็นจัตเตระฉาน ต, ตรงที่มันล็อกกันอยู่ตรงเนี้ยจึงเป็นภพจึงเป็นชาติจึงเป็นสภาวะของมันเป็นขันของมันไปอดโดยปันค่ ะ, ค, ะคือคือทีนเข้าใจว่าอันนี้ที่ท่านกําลังอธิบายคุณบุญศ่าเป็นธรรมะชั้นลึกนะคะ ต้องดิฉันว่าเป็นธรรมชาตลึก <Okay. S 2> ซึ่งถ้าฟังเร็วๆจับไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเสียทีเดียวอืทีนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ท่านยกตัวอย่างเนี่ยถ้าจับทันก็ดีนะคะแต่ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวเราให้ยกตัวอย่างง่ายๆอกีกทีได้ไหมคะโ ด, ดยเฉพาะในเรื่องวิ ญ, ญญาณขันเนี่ยยังเข้าใจว่าจะทำให้เข้าใจง่ายเข้าออืนะค ะ, ะ, คะว่าในเมื่อขันขันในที่นี้ คือกองทั้งห้ากองทั้งห้าใช่ขันนี้แบบว่าวกองได้แกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นหนึ่งขันในขันทั้งห้านั้นถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณบุญสินถามมาก็คือถามว่าวิญญาณขันในฐานะที่เป็นขันหนึ่งในขันห้ากับ ว, วิญญาณธาตุอ่าใช่อ่า เหมือนกันหรือไม่โอเคอีกตัวอย่างนึงถ้าเกิดบอกว่ามีทั้งเหมือนและไม่เหมือนถูกไหมโอเคมีอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าถ้าเรานอนหลับอยู่นะเรานอนหลับอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีเสียงระฆังตีแงงแงๆแงงตีสีคร่งต้องตื่นแล้วนะแต่ตอนที่เราหลับอยู่เราเขาตีระฆังอยู่แต่เราไม่ได้ยินเสียงระฆังคือไม่ใช่ว่าหูไม่มีเสียงไม่มีใช่ไหมมีใช่ไหมแต่ณขณะนั้นเนี่ยวิญญาณขันไม่มีวิญญาณกันไม่มีตัวเรานะตัวเราสมมติตัวเราหลับอยู่นนนะะตตััวววเเเเราาาาาาิิญญญณณขททีี่่ป็ฉพจจงมโส เราไม่มีแต่ไม่ใช่ว่า <ฮ sono. S 1> เราไม่มีวิญ ญ, ญาณเรามีวิญ ญ, ญาณอยู่วิญ ญ, ญาณในที่นี้คือเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ตัวว่ามีจิตมีอะไรไหมไม่มีมันมีอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุตรงนี้คือจิตนั่นเองพอวิญญาณธาตุมันเริ่มรู้ตัวปุ๊บมันตื่นขึ้นมาจะเป็นพุทโธใช่ไหมมันก็จะไปทําหน้าที่วิญญาณไปในต่างสวซตาวิญญาณเนหน้าที่วิญญาณไปในต่างคนะวิญญาณหรือจากสู่วิญญาณไปลืมตาขึ้นก็เห็นแสงหูมัน <budgets> ก็ได้ยินเสียงระฆังขึ้ วิญญาณขันจึงเกิดขึ้นมาตามวิญญาณธาตุตรงนี้โอเคค่ะดิฉันกำลังเข้าใจว่าวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณที่ท่านพูดเนี่ยนะคะคือวิญญาณธาตุเนี่ยเมื่อไปได้ยินเสียงระฆังตอนตอนที่ยังไม่ยังไม่มียังไม่มีวิญญาณขัน คานวิญญาณใช่ไหมคะโสตวิญญาณโซตวิญญาณโซตวิญญาณไม่มีโสตะวิญญาณเนี่ยก็ยังไม่เป็นวิญญาณขันถูกไหมคะถูกต่อเมื่อมีโสตะวิญญาณแล้วจึงเป็นวิญญาณขันทีนี้ถ้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยวิญญาณท่านพูดว่าต้องไปตั้งอยู่ในขันใดขันหนึ่งในสี่ขันทีไม่ใช่ตัววิญญาณเองใช่ในขณะนี้เนี่ย เมื่อไปได้ยินเสียงและมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นไปตั้งอยู่ในไหนคะของมันไปอมันก็ <S <s ทํางานของมันไปไงอ๋วิญญาณทํางานของเข้าไปแลว้ววิญญาณไปต ha mm. totally ั้งอยู่ในไหนคะวิญญาณก็ตั้งอยู่ในรูปไงในที่นี้คือเสียงนะคะจึงเกิดวิญญาณขันขึ้นเพราะว่าวิญญาณไปตั้งอยู่ในเสียงซึ่งเป็นรูปที่เป็นวิญญาณที่หนึ่งตูกต่างตู่ต่างเป็นขันที่หนึ่งเราเรียกว่าขันที่หนึ่งทีนี้คําถามที่น่าสงสัยก็คือว่าเอาเลยตอนที่เราไม่มีวิญญาณขันเนี่ย เราเรยังไม่ได้ยินเสียงต่อให้มันมีเสียงก็ตามนะแล้ววิญญาณธาตุเนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่ที่ที่บอกว่าวิญญาณมันต้องตั้งไปอยู่ในสี่ขันถูกไหมถ้ามันไม่อยู่ในขันใดขันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เขาจึงใช้คำว่าธาตุขึ้นมาไงคุณยมเติวจุดต้องค่ะดิฉันก็เลยก็เลยจะกล่าวเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะดิ้งเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขันห้าตัววิญญาณที่ว่าเป็นวิญญาณขันนี่แหละ ก็คือตัวเดียวกับวิญญาณธาตุแต่เมื่อยังไม่ได้ทำงานจึงยังไม่เป็นวิญญาณขันดิฉัเข้าใจโอเคโอเคพูดถูกพูดถูกพูดถูกค่ะอ่าใช่นะคะอ่ก็ก็เลยถ้าเป็นส่วนของดิฉันดิฉันจะมีวิธีเข้าใจอย่างนี้โอเคนะคะก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละใช่ใช่ไม่ทราบว่าทำให้ท่านฟังสับสนขึ้นหรือดีขึ้นนะคะเนี่ยก็ก็เป็นอันว่าอันนี้เป็นภาษาไทยเลยยากถูกไหมคะ ท่านเพรบุตบอกว่าถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยจะชัดเจนมากชัดเจนใช่นะคะแต่พอมาเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยคำว่าวิญญาณมันเลยทำให้เราคิดให้เข้าใจไปหลายอย่างอ่าแต่ถ้านี่จะมีจิตมีมโนมีวิญญาณซึ่งถ้าแปลในถ้าเข้าใจในมุมหนึ่งก็จะเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นดวงอื่นดับขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนแต่การทาหน้าที่ของเขานั้น จะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะการถูกเรียกกันถูกไหมคะเหมือนกับว่าถ้าทําหน้าที่นี้จะถูกเรียกอย่างนี้ใช่ทำหน้าที่ถ้าบอกมีหน้าที่นี้นจะเรียกอีกอย่างหนึงใช่ใช่เพื่อให้เกิดความเข้าใจาขึ้นอย่างนั้นก็ตามเรื่องนี้เรามาพูดกันขยายความในครั้งต่อๆไปได้ใช่ค่ะออก็ๆๆะทําความเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะมารู้สึกติดกับอะไรอย่างเงี้ยสมมุติดิฉันเกิดไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยดิฉันก็จะไปต่อไม่ค่อยได้นะคะคือเหมือนกับจะตกใจอ่ะว่าอุ้ย เราไม่รู้อย่างนี้แล้วเราจะไปต่ออย่างอื่นได้ยังไงแล้วที่ท่านอาจารย์สอนปฏิบัติมาตั้งแตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องล้มเลิกไปตั้งต้นใหม่หรือเปล่าเพราะเราเป็นยาน้อยอพอไปได้พอไปไรเข้าใจไปทีละประเด็นแต่ทําให้ความรวดกว้างกวา ง, กวางมากขึ้นจดเ่อมค่ะนะคะนี่ก็ก็เป็นอันว่าอขอบคุณคุณบุญศิลค่ะที่ถามคําถามเข้ามาแล้วก็ทําให้ิฉันมีอะไรที่จะแตกยอดให้ท่านฟังท่านอื่นได้ร่วมรับ ร, ร, บรู้รับทราบไปกับ ก, บ ก, บการตอบคาถามของ ท่านู้วงในการหลักสูตรหลีกเร้นวัดปดา่าดอนหายศกจงังหวัอดอุดรธานีระมหาภัยบุญอภิบุณโนน้อมสักการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญปานครัท่านฟังที่เคารพค่ะเนี่ยหละนะคะเราก็มาช่วยๆกันทำให้ภูมิธรรมของพวกเรานั้นมีกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าการที่จะมาสนทนาธรรมอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ละคน จะมีปูมหลังที่แตกต่างกันหรือว่ามีความสงสัยที่แตกต่างกันก็ช่วยเกื้อกูลกันไปติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พุ้ทวารสวัสดีค่ะ